พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มห้าหมวดที่สองเพสัตชคันธกะหมวดว่าด้วยยาท่งอนุญาตเพสัชห้าและอื่นๆหนึ่งภิกษุหลายรูปอาพาธดื่มข้าวยาคูหรือฉันอาหารก็อาเจียนออกเพราะอาหารไม่ย่อยจึงสู้ผอมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงท่งอนุญาตเนยใส น้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยให้ฉันได้ทั้งในการคือก่อนเที่ยงและในวิการคือหลังเที่ยงไปแล้ว 2. ทรงอนุญาตเปลเวสัตว์หลายอย่างให้เคี้ยวบริโภคเป็นเพสัต์ได้เฉพาะในการ 3. อนุญาตให้ฉันมูลเพสัตชคือยาที่เป็นหัวหรือเง้าไม้เช่นขมิน้น ขิงเป็นต้นได้ตลอดไม่กำหนดการแต่ต้องมีเหตุสมควรถ้าไม่มีเหตุสมควรต้องอาบัตทุกกฎสำหรับภิกษุผู้อาพาธส่งอนุญาตให้ใช้หินบทบทได้ 4. ทรส่งอนุญาตให้ฉันกระสาวะเพสัตคือยาที่เป็นน้ำฝาดจากต้นไม้ได้ตลอดชีวิตในเมื่อมีเหตุสมควร หทรงอนุญาตให้ฉันปัญะเพศัตคือใบไม้ที่เป็นยาได้ตลอดชีวิตในเมื่อมีเหตุสมควร 6. ทรงอนุญาตให้ฉันผลเพศัตคือผ ล, ลไม้ที่เป็นยาเช่นดีปลีสมอมะขามป้อมได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุสมควร7ทรงอนุญาตให้ฉันชตุเพศัตคือยางไม้ที่เป็นยา เช่นมหาหิงได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุสมควร 8. ทรงอนุญาตโลนะเพศตั์เกลือที่เป็นยาเช่นเกลือสมุทรเกลือสินเทาได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุสมควร 9. ทรงอนุญาตให้ใช้ยาผงในเมื่อเป็นแผลผู้พองหรือกลิ่นตัวแรงเพื่อมีให้แผลติดจีวรสำหรับภิกษุผู้ไม่อาพาธ ส่งอนุญาตให้ใช้หมูลโขแห้งดินแห้งและกากเครื่องย้อมท่งอนุญาตครกสากและแร้งสำหรับร่อนยาผงเพื่อการนี้ 10. ทรงอนุญาตเนื้อสัตว์ดิบโลหิต ด, ดิบในเมื่ออาพาธเนื่องด้วยอามนุษย์หมายเหตุผู้อา่านข้อนี้มีรายละเอียดที่มีพระภิกษุโดนอามนุษย์เข้าสิงนะครับจึงต้องฉันเนื้อสัตว์ดิบ เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น11ทรงอนุญาตยาตาและกลักยาตาสําหรับภิกษุผู้อาพาธเป็นโรคตาแต่ห้ามไม่ให้ใช้กลักยาตาที่ทําด้วยเงินทองแบบของขฤรือหัดกับทรงอนุญาตฝาปิดกลักยาตาและให้ใช้ได้พันกันฝาตกกับทรงอนุญาตให้ใช้ไม้ป้ายยาตาและถุงใส่ไม้ป้ายยาตา รวมทั้งสายสำหรับสะพายคล้องบ่า1ิบสอง่งอนุ ญ, ญาตให้ทาน้ํามันที่สีสษะเมื่อเป็นโรคร้อนสีสษะและอนุญาตให้นัดยาและกล้องยานัดแต่กล้องยานัดห้ามใช้ที่ทําด้วยทองเงินหรืองดงามแบบของขฤารือหัดส่งอนุญาตกล้องยานัดที่มีหลอดคู่ส่งอนุญาตให้สูตรควันของยาทางจมูก ส่งอนุญาตกล้องยาสูบที่ใช้รักษาโรคแต่ไม่ให้ใช้กล้องที่ทำด้วยทองเงินหรืองดงามแบบคารืหัสส่งอนุญาตให้มีเครื่องปิดกล้องยาสูบเพื่อการสัตว์เข้าไปข้างในส่งอนุญาตถุงใส่กล้องยาสูบและถุงคู่รวมทั้งสายสำหรับสะพายคล้องบ่าสิบสามส่งอนุญาตให้เคียวน้ามันทายา และอนุญาตให้เติมน้ำเมาลงในน้ำมันที่จะทำยาได้โดยมีเงื่อนไขว่าน้ำเมาที่ใส่นั้นมีกลิ่นรสไม่ปรากฏส่งอนุญาตภาชนะสำหรับใส่น้ำมันที่ทำด้วยโลหะหรือผ ล, ลไม้ส่งอนุญาตการทำให้เหงื่อออกตั้งแต่อย่างธรรมดาถึงอย่างเข้ากระโจมโดยมีถาดน้ำร้อนอยู่ในนั้น 14. ทรงอนุญาตให้นำเลือดออกด้วยใช้เขาควายดูดคือการกอกได้แก่เจาะเลือดออกเล็กน้อยแล้วใช้เขาควายกดลงไปให้ดูดเลือดออกในอัธกถาไม่ได้บอกว่าต้องจุดไฟด้วยหรือไม่ตามธรรมดาการทำเช่นนี้จะต้องจุดไฟที่เศษกระดาษหรือเชื้อไฟอื่นๆเพื่อไล่อากาศเขาควายจึงมีแรงดูด 15ทร่งอนุญาตยาทาเท้าเมื่อเท้าแตกและอนุญาตให้ปรุงยาทาเท้าได้ 16. ทร่งอนุญาตการผ่าฝีและอนุญาตกระบวนการทั้งหมดที่เนื่องด้วยแผลผ่าตัดนั้น17ทร่งอนุญาตยาสี่ชนิดในขณะถูกงูกัดคือมูดหรือปัสวะคูดหรืออุจระขี้เท่าและดิน ในขณะรีบด่วนเช่นนั้นถ้าไม่มีคนทำให้ให้ถือเอาเองแล้วฉันได้ไม่เป็นอาบัตหมายเหตุจากหนังสือยาชนิดนี้จะเพื่อให้อาจเจียนหรืออย่างไรไม่มีบอกไว้ 18. ทรงอนุ ญ, ญาตยาและอาหารอ่อนบางอย่างตามควรแก่โรคและความต้องการที่จำเป็นเช่นน้ำด่าง จากขี้เท่าของข้าวสุกเผาแก้โรคท้องอืดสมอดองน้ำมูดโคแก้โรคผอมเหลืองการทาตัวด้วยของหอมแก้โรคผิวหนังน้ำข้าวใสน้ำถั่วต้มที่ไม่ข้นน้ำถั่วต้มที่ข้นเล็กน้อยน้ำเนื้อต้มทั้งหมดเป็นการผ่อนผันให้เหมาะแก่อาพาธ ทรงห้ามเก็บเพสัตห้าไว้เกินเจ็ดวันมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสพระปิลินทวัชชะในฐานะมีอำนาจจิตสูงใช้อำนาจ จ, จิตได้หลายอย่างพากันถวายเพสัตห้าคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นอันมากท่านก็แบ่งถวายภิกษุผู้เป็นบริษัทของท่านภิกษุเหล่านั้นเก็บของเหล่านี้ใส่ผ้ากรองบ้าง ใส่ถุงบ้างแขวนไว้บ้างผ้าที่หน้าต่างบ้างมีหนูรบกวนมากเป็นที่ติเตียนของคนทั้งหลายพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติว่าภิกษุรับเภสัชห้าแล้วจะเก็บไว้บริโภคได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าล่วงกำหนดนั้นไปให้ปรับอาบัติตามควรคืออาบัติปาจิตตีส่วนอาหารห้ามเก็บไว้ค้างคืน เพื่อจะฉันแม้เพียงคืนเดียวทรงอนุญาตของฉันบางอย่างทรงอนุญาตให้ฉันน้ำอ้อยที่ใส่ขี้เท่าใส่แป้งเล็กน้อยเพียงเพื่อให้ยึดติดกันทรงอนุญาตให้ฉันถั่วเขียวแล้วข้าวต้มเปรี้ยวใส่เกลือได้สำหรับภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ให้เจือน้ําดื่มได้ สำหรับข้าวต้มเปรี้ยวใส่เกลือใช้เป็นอาหารอ่อนสำหรับคนไข้ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาพาธด้วยโรคลมในท้องพระอนุนของาข้าวสารถั่วเขียวด้วยตนเองเก็บค้างคืนไว้ในที่อยู่แล้วต้มเองในที่อยู่เสร็จแล้วถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงตรัสห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่อันโตวุฒะห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่อันโตปักกะและห้ามหุงต้มเองสามารถปักกะผู้ล่วงละเมิดต้องอาบัตทุกกฎแต่การอุ่นของที่สุกแล้วอนุญาตให้ทําได้ต่อมาเกิดข้าวยากในกรุงราชคลือ ส่งอนุญาตให้เก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่ให้หุงต้มอาหารในที่อยู่ให้หุงต้มเองได้แต่เมื่อบ้านเมืองกลับสู่สภาพปกติก็ส่งห้ามการเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่เป็นต้นนั้นอีกดังที่ปรากฏข้างหน้าประหนึ่งส่งอนุญาตว่าในการเดินทางไกลเห็นผลไม้ตกอยู่ถ้าไม่มีกัปปิยะการก คือผู้จัดทำสิ่งที่ควรก็ให้เก็บนำไปเองต่อพบกับปิยาการกจึงให้วางบนพื้นดินให้เขาจัดถวายให้ฉันได้ท่งอนุ ญ, ญาตให้รับประเคียนผลไม้ที่เก็บมาเองได้ข้อนี้ต่อมาก็ส่งยกเลิกเช่นเดียวกับเรื่องการเก็บอาหารในที่อยู่ท่งอนุญาตเรื่องการฉันหลายข้อ ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุที่ฉันเสร็จแล้วบอกไม่รับอาหารที่เขาเพิ่มให้แล้วฉันอาหารที่ไม่เป็นเดนซึ่งนำมาจากบ้านเจ้าภาพได้มีข้อห้ามไว้ในสิกขาบทที่หโภชนนวัตรปาจิตติยกันแต่ทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าถ้าเจ้าภาพนำมาถวายที่วัดอีกให้ฉันได้อันหนึ่งถ้าเขาถวายไว้ก่อนเวลาอาหารและถ้าของนั้นเป็นของป่า ของเกิดในสระก็ส่งอนุญาตให้ฉันได้อันหนึ่งผลไม้ที่ไม่มีพืชหรือที่ปล่อนพืชออกแล้วไม่มีใครทําให้ควรก็ส่งอนุญาตให้ฉันได้ในข้อหลังนี้มุ่งเพียงไม่ให้ทําลายมเมล็ดพืชของผลไม้ถ้าฉันโดยไม่ทําลายมเมล็ดพืชก็ทําได้ส่งห้ามทําการผ่าตัด หรือผูกรัดที่ทวารหนักทรงห้ามผ่าตัดหรือผูกมัดด้วยหนังหรือผ้าภายในบริเวณสองนิ้วโดยรอบทวารหนักผู้ฝ่าฝืนต้องอาบัติทุนลดใจสำหรับข้อนี้เกี่ยวกับฤทิีดวงทวารทรงห้ามฉันเนื้อที่ไม่ควรหนึ่งทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์ผู้ฉันต้องอาบัติทุนลดใจ ภิกษุจะฉันเนื้อสัตว์ต้องพิจารณาก่อนขืนฉันทั้งไม่พิจารณาต้องอาบัตทุกกฎสำหรับข้อนี้นางสุปิยาอุบาสิกาเห็นภิกษุอยากฉันเนื้อหาเนื้อไม่ได้จึงตัดเนื้อตนเองปรุงอาหารถวายสองทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่ไม่สมควรอีกเก้าชนิดคือเนื้อช้างเนื้อมา้า เนื้อสุนัขบ้านเนื้องูเนื้อราชสีหรือสิงโตเนื้อเสือโครง่งเนื้อเสือดาวเนื้อหมีและเนื้อสุนัขป่าทรงอนุญาตและไม่อนุญาตของฉันบางอย่างหนึ่งทรงอนุญาตข้าวยาคูและขนมผสมน้ำผึ้งทรงสรรเสริญข้าวยาคู ว, ว่ามีอานิสงส์มาก 2. ถ้าเป็นข้าวยาคูแบบข้นมีเนื้อข้าวมากที่เรียกว่าโภชยาคูซึ่งฉันได้ยิ่มถ้ารับนิมนต์ฉันที่อื่นไว้ห้ามฉันยาคูชนิดนี้ของผู้อื่นก่อนไปฉันในที่นิมนต์สทรงแสดงธรรมโปรดเวรัตตะกัจจานะผู้ถวายงบน้ำอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตต่อมาทรงป ร, รบเรื่องงบน้ำอ้อยทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ป่วยไข้ฉันได้แต่ภิกษุผู้ไม่ป่วยไข้ให้ละลายน้ำฉันหมายเหตุผู้อ่านข้าวยาขู่ก็คล้ายกับข้อต้มแต่อาจทำด้วยธั ญ, ญพืชหลายชนิดรวมกันนะครับ ส่วนงบน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลที่ทําจากน้ำอ้อยเคี่ยวจนข้นเสด็จแสดงธรรมที่ปตาตัลิกามและโกติคามพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงราชฤท์ไปยังปตาตัลิกามทรงแสดงธรรมโปรดอุบาสกชาวปตาตัลิกามเรื่องโทษแห่งศิลวิบัติคือความบวกร่องแห่งศีลของผู้ทุศีล และอานิสงฆ์แห่งศีลละสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลของผู้มีศีลมหาอมาทแห่งมคตชื่อสุนีทวั ส, สการะนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อฉันพัฒหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้าแม่น้ำคงคาไปยังโกติคามตั้งอยู่ในแค้นวัชีทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสี่ นางอัมพ ป, ปาลีถวายป่ามะม่วงนางอัมพะ ป, ปาลีผู้เป็นหญิงนครโสเพณีได้เดินทางโดยขบวนยานจากกรุงไพยสาลีราชธานีแห่งแคว้นวัชีไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงโกติคามแล้วนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นคณะกษัตริชวีแห่งกรุงไพยสาลีก็เดินทางไปโกติคาม เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูล น, นิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของนางอัมพปาลีไว้ก่อนแล้วคณะกษัตริชวีขอร้องนางอัมพปาลีให้พวกตนได้เลี้ยงก่อนนางไม่ยอมในวันรุ่งขึ้นเมื่อถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงเสร็จแล้วจึงกราบทูลถวายป่ามะม่วง ให้เป็นสังฆารามสีหะเสนาบดีเปลี่ยนศาสนาสีหะเสนาบดีเป็นสาวกนิครนคือศาสนาเชนได้ฟังคณะกษัตริชวีสันเสริญคุณพระรัตนไตรก็ใครจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปปรึกษากับอาจารย์คือนิครนนาตบุตรก็ถูกห้ามปรามถึงสามครั้ง ในที่สุดได้ตัดสินใจไปเฝ้าโดยไม่บอกอาจารย์เมื่อได้ไปเฝ้ากราบทูลถามถึงข้อที่มีคนกล่าวหาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้ส่งชี้แจงโดยละเอียดแล้วส่งแสดงธรรมโปรดสีหะเสนาบดีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันบุคคลและได้นิมนต์ฉันพัตหาในวันรุ่งขึ้นพวกนิครนเที่ยวพูดว่าสีหะเสนาบดี ฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเลี้ยงพระสมณะโคดมรู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อสัตว์นั้นสีหาเสนาบดีได้ทราบก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นจริงแล้วก็ถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ต่อไปจนเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุนั้นจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าทาถวายเจาะจงภิกษุ ทรงปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ภิกษุผู้ฉันและทรงอนุญาตปลาและเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์โดยเงื่อนไขสามประการคือไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อให้ตนบริโภคทรงถอนข้ออนุญาตสำหรับยามข้าวยาก ต่อมากรุงพัยสาลีสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงถอนข้ออนุญาตที่ประธานไว้ในสมัยข้าวยากเป็นอันกลับห้ามต่อไปคือห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่ห้ามหุงต้มในที่อยู่ห้ามหุงต้มด้วยตนเองห้ามฉันผลไม้ที่เก็บมาเองโดยหาคนประเคนที่หลัง สี่ข้อนี้ปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิดห้ามฉันอาหารจนไม่รับของที่เขาจะถวายเพิ่มแล้วกลับฉันของที่เขานำมาถวายจากบ้านเจ้าภาพอีกหรือฉันอาหารที่รับประเคนไว้ก่อนเวลาอาหารหรือฉันอาหารที่เกิดในป่าในสระน้ำเช่นผลไม้เงาบัวให้ปรับอาบัตปาจิตตีแก่ผู้บริโภค ามควรแก่กรณีทรงอนุญาตที่เก็บอาหารมีผู้นำของที่เป็นอาหารเช่นเกลือน้ำมันข้าวสารของเคี้ยวผลไม้มาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตกับปิยภูมิคือที่เก็บของที่สมควรโดยให้สวดประกาศเป็นการสง โดยทรงระบุกับปิยภูมิ4ชนิดคือ 1. อุตสาวนันติกากับปิยภูมิที่ประกาศให้ได้ยินกัน 2. โคนิสาธิกากับปิยภูมิที่ไม่มีที่ล้อม 3. ขาขหปฏิกากับปิยภูมิที่เข้าเรหาบดีถวายและ 4. สัมสมติกากับปิยภูมิที่สงสมมุติ คือสวดประกาศเป็นการสงทรงแสดงธรรมโปรดเมธทกะคฤหะวดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงภัยสาลีไปยังพัิยนครประทับนาชาติยาวันหน้าที่นั้นเมนธะกะคฤหบวดีผู้เป็นเศรษฐีได้ไปเฝ้าได้สดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็นิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดครอบครัวพร้อมทั้งทาตของเมีนตกะคฤหบดีให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนปฏิญาณตนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตทรงอนุญาตตามที่เมียนตะกะคฤหบดีขอร้อง เมธกะกเข้าเรือหาบดีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเดินทางไกลไปอังคุตราปะจึงกราบทูลขอร้องให้ทรงอนุญาตสเสบียงจึงทรงอนุญาตดังต่อไปนี้หนึ่งทรงอนุญาตห้าอย่างที่เกิดจากโคปันจาโครสคือนมสดนมส้มเปลี่ยงเหนื่อยข้นเหนื่อยใส หมายเหตุจากหนังสือคำว่าตักกะตรงที่แปลว่านมส้มควรแปลว่านมข้นตรงคำว่าเปรียงควรแปลว่านมส้มสองทรงอนุ ญ, ญาตให้สแสวงหาสเสบียงทางได้คือข้าวสารถั่วเขียวถั่วราชมาดเกลืองบน้ำอ้อยน้ำมันเนยใสตามความต้องการ 3. เมื่อมีคนมอบเงินทองแก่กับปิยการกทรงอนุญาตให้ยินดีเฉพาะของที่ควรซึ่งจะได้มาจากเงินทองนั้นแต่ไม่ทรงอนุญาตให้ยินดีตัวเงินทองหรือให้สแสวงหาเงินทองเลยทรงอนุญาตน้ำอัฐบาลคือน้ำดื่มแดอย่างณตำบลอาปณะทรงปรารบคาขอของเกียรนิยะ จะดินผู้ปรุงน้ําปานะมาถวายน้ําปานะคือน้าดื่มจากผลไม้จึงทรงอนุญาตน้าปานะแปดอย่างคือหนึ่งน้ำมะม่วง 2. น้ําชมพู่หรือน้ําว่า 3. น้ํากล้วยมีเมล็ดสน้ํากล้วยไม่มีเมล็ดหน้ํามะซัง 6. น้ําลูกจันทร์หรือองุ่นเจ็ด น้ำเงาอุบลแปดน้ำมะปรางหรือลิ้นจีทรงอนุญาตน้ำจากผลไม้ทุกชนิดเว้นแต่ประเภทข้าวทรงอนุญาตน้ำจากใบไม้ทุกชนิดเว้นแต่รถแห่งผักที่ต้มแล้วทรงอนุญาตน้ำจากดอกไม้ทุกชนิดเว้นแต่น้ำดอกมะสางและทรงอนุญาตน้ำจากต้นอ้อยน้ำทั้งหมดนี้ ทรงอนุญาตให้ดื่มหลังเที่ยงได้ไม้เหตุจากหนังสือน้ำดื่มทำจากผลไม้แปดอย่างนี้อธิกถาอธิบายว่าเป็นของเย็นหรือตากแดดใช้ได้แต่จะทำให้สุกด้วยไฟฉันในเวลาวิการไม่ได้ช่ารอยจะกลายเป็นเหมือนแป้งเปียกซึ่งใกล้ไปในทางเป็นอาหารมากขึ้น ทรงอนุญาตผักและของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้ง น, นเมืองกุสีนาราทรงปรารบคำขอของมลรกษัตย์ชื่อโรชะผู้เคยเป็นสหายของพระอนุนทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันผักและของขบเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งทุกชนิดเฉพาะก่อนเที่ยงทรงห้ามและทรงอนุญาตอื่นอีก ณตำบลอาตุมาส่งปรารภการกระทำของภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ผู้เคยเป็นช่างตัดผมจึงทรงห้ามไม่ให้ชักชวนบุคคลไปในทางไม่สมควรกับห้ามไม่ให้ภิกษุผู้เคยเป็นช่างตัดผมใช้เครื่องมีดโกนทรงปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดณกรุงสาวัตถีทรงอนุญาตของเคี้ยวประเภทผลไม้ทุกชนิด ให้ฉันได้พืชของสงปลูกในที่ของบุคคลให้แบ่งส่วนแล้วบริโภคได้ข้อนี้อธิกถาว่าให้แบ่งให้หนึ่งในสิบทรงแนะข้อตัดสินทรงแนะว่าสิ่งที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้แต่เข้ากับสิ่งไม่ควรขานกับสิ่งที่ควรก็นับว่าไม่ควร สิ่งที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้แต่เข้ากับสิ่งที่ควรขานกับสิ i̇şte ่งที่ไม่ควรก็นับว่าควรสิ่งที่ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้แต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขานกับสิ่งที่ควรก็นับว่าไม่ควรสิ่งที่ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้แต่เข้ากับสิ่งที่ควรขานกับสิ่งที่ไม่ควรก็นับว่าควร อนนัทรงชี้ขาดเรื่องกาลิกคือของฉันที่อนุญาตไว้ตามกำหนดการเวลารวมสี่อย่างคือหนึ่งยาวกาลิกของที่ให้ฉันได้เช้าชั่วเที่ยง 2. ยามกาลิกของที่ให้ฉันได้ไม่ข้ามคืน 3. ส, สัตตาหะกาลิกของที่ให้ฉันได้ไม่เกินเจ็ดวัน และสยาวะชีวิกะของที่อนุญาตให้ฉันได้ตลอดชีวิตของเหล่านี้เมื่อผสมกันให้นับตามอายุของที่มีเวลาน้อยเช่นเอาน้ำตาลซึ่งฉันได้ภายในเจ็ดวันมาผสมกับข้าวสุกก็ฉันได้เพียงเช้าชั่วเที่ยงหรือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น